ในะกังตั้งใจพวกเราทุกคนทั้งพระพิสุสามันุนนิยารโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทุกๆคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้แล้วก็มีพระทางปักกลางปักใา้มาร่วมกันหลายองค์ ก็ก็ให้เข้าใจว่าสถานที่นีเออ้เป็นสถานที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโลกทุกประการนั้นเป็นวัดป่าอยู่ในป่าก็อยู่กันไปอย่างหากว่าชันองใด ที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นมัสณวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายนเจ้าการจะมาอบรมบ่มนิใจกับผมนั้นก็ดีแต่ว่าก็ชา้านานๆออก็คล้ายๆกันแว่ว่า ทางวัดดีทางการบางแห่งจะสร้างอาคารขึ้นสักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยดีทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้ฝังตรวจดูว่าตรงคนจะช่วยหรือไม่ อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นผู้ต้องการอาคารนั้นจะต้องลงมือสร้างหาเครื่องอุปกรณ์มาด้วยปัญญาของตนก่อนว่าจะเอาจรินไหมทําจริงไหมพอรู้ทางการเขาเห็นตรงควรว่าน่าจะเป็นไปในรูปนั้นเขาก็ลงมือช่วยขึ้นต่อขึ้นก็ได้อันนี้ก็บฉันนั้นเหมือนกัน การประพฤติปฏิบัตินี้สมัย okay. นี้ม hmm. mm ีหลายอย่างหลักการได้วิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักษาใดก็ตามันเถอะมันมีรากฐานตั้งอยู่ ศีลสมาธิปัญญานี่เองหลักการวิธีการทั้งไหนก็มารวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนั้นก็ให้เราพิจารณาทีนี้เรามาปฏิบัติปฏิบัติให้เข้าใจดีๆว่าเรามาปฏิบัติแล้วกว่าวิบัติ ปฏิบัติเดีวิบัติบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทําแต่สิ่งที่มันวิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดยึถูกก็ไม่ไดูเรื่องเงิน ม, มารุ้ทั้งหลายดูแล้วก็ไ ม, ไม่ไม่ได้ปฏิบัติ มันวิบัตกายวิบัติวาจาวิบัติจิตใจวิบัติแตกก็ยังไม่รู้ตัวว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติอยู่นั่นเองเร่งนี้เป็นเต็มที่ว่าเราวิบัติไม่รู้ถ้าเรารู้ว่าเราวิบัติเราก็ต้องปฏิบัตินั่นก็คนที่เป็นบ้าถ้ามันว่ามันรู้ว่ามันจะเป็นบ้ามันก็ไม่เป็นบ้า ไอ้ที่มันเป็นบ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นบ้าอ่ามันเป็นใจอย่างนั้นบางองค์บางท่านก็น่าเสียดายนะที่จะว่ามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อมรนะักผลนิพพานนะเพื่อมรกผลนิพพาน การปร r a m a t t รร h นั่นนะมักคือกายมักคือวาจามักนั้นก็คือใจสิ่งที่กายวาจาใจที่ถูกต้องแล้วเกิดความบริสุทธ์นั้นเรียกว่าผลนีเรียกว่าผลคนเราส่วนว่าอย่างอื่นนั้น เราไม่มองเ ข, ข้ามาทางในเรามองไปทางนอกเสียเช่ว่าปฏิบัตินี้เรานึกว่านำมานั่งรวมกันนั่งแบบตาเราปฏิบัตินะก็ะเดินจงกลมเนวได้นเราในปฏิบัติถ้าจิตรับอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติ ปฏิบัตินั้นไม่ใช่การยืนปฏิบัติที่ตรงไปตรงมานี่ยไม่ใช่การยืนไม่ใช่การเดินไม่ใช่การนั่งการยืนการเดินการนั่งเป็นกิริยากิริยาที่มันเกิดจากจิตแสดงออกมาในการพูดการจาสารพัดอย่างเป็นต้นอีก ถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้เินแบบกายเนื้วาจรใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจที่ทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไป ทำไมทำามมันน้อยไปเนะี่ยเมื่อปัญญามากขึ้นอาการทั้งหลายมันก็น้อยไปน้อยไปจุดก็คือมันหมดนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้เรามาทำเป็นคนคนใหม่นะไม่ใช่เป็นคนคนเก่า อย่างคนเป็นบ้ามันก็ ต, ต้องเปลี่ยนจากปกติของคนดีมันก็เป็นบ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็เปลี่ยนจากปกติเป็นคนบ้า<ม>พวกเราทั้งหลายควรคิดดูว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้ พระอริยบุคคลชั้นจำสังสูงนั้นคือใครอืคือใค ร, ค, ใ ค, รคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่นั้นเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโซดานี้ก็แปลกจากพุทธชนเหล่าเนี้ยเปลี่ยนจากพุทธ ช, ชนเราโซดาสกิทาคาอณาคาพระอหรหัน ก็คือคนคนเดียวนั่นเองนะแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วก็อยู่ตัวสมุนสมนย์ไปเรื่อยไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทําไมไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จัก กำนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปยินธบาทมานี่เราได้อะไรมาบ้างไมหมเราไมีอะไรเสียบ้างไหมน้อยองค์กีิจิตเมื่อระเลยขึ้นมาจากท่าน้ำนี้ มาถึงสรานี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมยี่มีอะไรจะโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไม่พูดเป็นประโยชน์ไม่คิดเป็นประโยชน์ไหมเสรตรวจดูไห ม, มบางท่านบางองค์ไม่ได้ตรวจดูเพราะว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จักว่าเราปฏิบัติ เราเรินมาจากท่าน้ำเราลงอาบน้ำเพราะอะไรเพราะมันขาดะติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดะติก็เพราะว่ามันไม่นวัดระวังไม่สังวรสังรวมให้เขยมแข็งการปฏิบัติจริงเนินช้าเกียนไปนิชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะ เมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิณฑบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่ององื่นมาพูดไอ้ที่มันเควไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเควไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันโดยเกิดเป็นการคุกคีกันไปในตัว ลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัติมี้นาท่านทั้งหลายนะท่านไม่คุกคีเดือใครแต่นั่นนะถึงแม้ท่านจะนั่งในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกคีถึงแม้ท่านจะพูดอยูท่านก็ไม่คุกคลีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ถ้าผู้มีความรู้ในการปฏิบัตินะก็ การเยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทำไมมันถึงสบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของท่านทุกดียาบทอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกาติคือมีความริศได้อยู่รอบอ เมื่อมีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดีย๋ยวเกี่ยวเนื่องกันไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์แบบนั้นเหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งที่มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมะม่วงใบนั้ น, นเข้าไปในาวาลปากของเรา ไอ้ความเปรืย้ยแลอ้ความหวานนั้นน่ะมันจะรู้สึกพร้อมกันเลยมไม่มีอันใดก่อนไม่มีอันใดหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณ ะ, ะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้ทถ้งว่าไอ้สตินี้ที่มีรอบรลว้วไม่ผิดไม่ผิด คือ ท, ที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริเจ้าจึงไม่มีการผิดไม่เหตุับอาบัติพระอริเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันค้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้นเองพอท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่าน ภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันถึงรู้เลยยากเหลือเกิดให้พวกท่านทั้งหนต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองต้องพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกริยาบทการปฏิบัตินั้นก็คือมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะ จะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจาอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติตั้งมีความอายใ้มากอายกลัวการภายนาถึงการพิจารณาให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่านั้น เมื่อหมดแล้วเรื่องพวีณนหมดแล้วถ้าคน ม, มีอายมีกลัวแล้วก็หมดเตี้ยงแล้วน่ะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังเบอรมีการสังรวมเมื่อมีการสังวานเมื่อมีการสังวานมันก็เกิดความรู้สึกขึ้รู้สิ่งทั้งหลายต่าง ๆ, ๆเกิดขึ้นมานั้นนี่ มันจะดูในคณะอันใด น, นั้นก็รู้อยู่มี่พลังท่านจึงมีความสบายเพราะท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเราน่ะชอบมันเป็นนิสัยเก่าก็ต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่านี่มันยากมันลําบากมากที่สุดมีเคยพูดตลกตะนองแล้วเคยพูดเล่น นี่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างนี้แก้ตัวได้ยากมำบากนี่อย่างยาวคือเป็นระยะระยะคือการถือการในพูดเป็นวัดชั่วขณะชั่วเวลาจัดต้องทรมานมบางคนก็นว่า กินน้อยนอนน้อ ย, อยพูดน้อยกัทธรมานเป็นอัตฉริรรมฐานโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องปล่อยให้มันสบายสบายรู้ไหมว่าอัจฉริรรมฐานโยโคคืออะไรไม่รู้เลนเกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอัจฉะ กิรมาธายโยโครู้ไหมว่าในลานั้นความหมายของท่านท่านมีอย่างไรบ้างอย่างนั้นคนทํานาทําไร่เขาก็เป็นอาตาริกิรมาธาโยโคทั้งนั้นมันทุกข์มันยากมันลาบากแต่เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นเขาทําเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะเขาทําเพื่อให้มีความหมาย ถึง่ากถึงลาบากาก็ากระทำอยู่เรื่องการยากด้วยการลาบากนั้นเราจะไปขี้ว่าเป็นอัตตะกิรมัทฐาโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้ า, จาของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิรมัทฐาโยโคมาแล้วท่านจึงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติเนีบยมันเป็นอย่างไร ที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอจักกิริมทางโยโคท่านก็ไม่รู้จากทางที่ถูกที่ผิดแล้วการมุรคการโยโคนี้ทาตนมีความสุขเท่านั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านจะทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วทั้งนั้นแหละ ืผ่านมาเนี่ท่านเพงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเวลา น, น, นี้นะมันต้องสัตย์เไปตามบัตตาสงสารอยู่เสมอทุกอย่างนะอยู่ในบัตตาสงสารการกระทําอยู่ในวัตตาสงสารนั้นเจ้าพุทธเจ้า ก, กำลังกระทาอยู่ที่นี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นบัตตาสงสาร แต่การทําการเปลี่ยนการแปลงไปมานั้นเป็นบรรดาสงสารแต่ผู้รู้ของท่านบริบูรณ์แล้วไม่เป็นบรรดาสงสารเมื่อเราทรมานการนอนทรมานการกินทรมานทุกอย่างนี้เรามีความหมายไม่ใช่กับการทรมานไม่เกิดประโยชน์รู้จักประมาณผู้มีปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจริงให้เป็นผู้มักน้อย เราเป็นผู้มากน้อยในการนุ่งคมในการใช้บริการต่างๆทุกอย่างสารพัดอย่า ง, รางพระพุทธเจ้าเขาจะให้เก็บกรรมให้รู้จักรู้จักประมาณคิดว่าในวัดนี้ในวัดนี้มาเทียนไงนน้ำแช่อยู่ที่ ไ, นนไหนน้ําฉันอยู่ที่ไหนเนี่ากว่าคนผู้ฉลาดทํามาในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้ํามีคนใช่อย่างไร คนใชยในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนทุกในการขบฉันก็อย่างนี้กูเหมือนกันท่านก็พยายามให้รู้จักประมาณพอสมควรอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อย อ, อย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทําไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหิวนี่มากจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแล้ว ร่ำบากแก่คนอื่นเปล่าำบากแก่ตัวของเราด้ยวยเรื่องบริขารต่างๆนั้นก็เหมือนกันท่านมีเป็นผูกมีบริขารนั้นน้อยเพราะอะไรมันไม่ยุ่ง ม, มีไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจะงอยปากแล้วก็มีขามีปีกืม่ล้วกินไปนี่ คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไม้ต้นนั้นก็บินไปทางขีทางหางทางเท้าก็ไปห่วงต้นไม้ต้นนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายคนเรามาปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมพูดเนี่ยามาจากไหนอามาจากตัวของเจ้าของนี่เอง แต่คนนี่มันสำคัญอย่างไงนนะที่มาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามบ้านตามที่ตา่างๆตรงนี้เนีย่ยอย่ามาทำสกระปรกนะอย่ามาตัดกระดาษตรงนี้นะ่ะอย่ามาทิ้งกระดาษจะถึงไหนะยิ่งไปทิ้เทงเสรตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดต้องมีหน้นะปนาปิดไปนะอย่ามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไง เราผู้ปฏิบัินี้ตัวมันกันเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้นเมื่อบวชธรมาปฏิบัติมันอยากมากยิ่อเึ้นยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าอะไรไปถ้าพูดตรงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำในตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายไหมเป็นบ้าเห็นมันเป็นบ้าไห แต่วันหลังเราค่อยๆรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอความอยา ก, กนะให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต้องไปดูเรื่องของมันมันเจ็นขึ้นมาทุกอย่างือคือเจดีย์ี่มันฟูขึ้นมา มันฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นอะไรก็ทใหอย่างใ ห, าให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากเึ้นมาสายตาตาลซึ่งเรามองเห็นมาเป็นตัวกิเลสแท้ๆให้เห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างอืมพิจานณายากลำบากอืมที่นั่นพวกเราอยู่ในป่า นี้ให้ฟังเท่าแปฏิบัติหรือวิบัติเรื่องของพระแด้จริงนะถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอาบัติแล้วคือคำที่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัติมีคำที่ว่าเล่นมีไม่มีเท่านี้ ไปเล่นมาเล่นพูดเล่นทำเล่นมันเล่นอาการเล่นในพระไม่มีไม่มีมันมีถึงอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเลยว่าเมื่อความมันร่าเริงขึ้นมามันเป็นสุขใจขึ้นมาหรือเมื่อหากว่ามันเป็นทุกข์ใจสึ้นมานั้น ตามธรรมราของคนเราก็ต้องว่าเมื่อมันสุกใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันตองสลับทับซ้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอตตะจิรมาธาโยโกกามะทุกามิกาโยโคอยู่นั่นเอง ความว่าเริงบันเทิงความยิดีเกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละโทษมากความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ชอบมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจอันนั้นแหละมันก็เป็นโทษพูก ง, ง่ายๆอ้ความสุขกับความทุกข์นี่ให้โทษเราเสมอกันเลยแต่ว่าคนเราไม่รู้ตัวมีความสุขเอาหละ่ะมีความทุกข์กัฉันไม่เอา ปกติของคนต้องเป็นอย่างนี้ mm hmm. yeah. เราไม่เคยได้ดึกถึงที่เราสวดมูลกันนราพติตามตีทุกขังในความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกตัวนี่ลืมไปมีแต่สวดกันไปทางนั้นแหละเมื่อา ม, ามันเกิดขึ้นมาแล้วเอามาใช้ในทันไม่ทันท่วงทีเพราะอะไรเพราะเราเผลอไปเราไม่มีสติ มันมีสติได้อย่างอื่นมันมีสติเหมือนแมวเหมือนสุนัขเหมือนหมูอะไรไปเนานะเหมือนสัตว์ประหลาดนอ่พวกนั้นมันก็มีสติเหมือนกันเนี่ยมันรู้จักมันมีสติถ้าพูดถึงเรื่องสติมันหลายซับซ้อนอืมเร่องภายในจิตของเรานี้มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแจ่งขึ้นมา แล้วก็เกิอดอารมณ์ขึ้นมาอที่เราชอบใจนั้นมันถูกเราจะชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมราจะคุบทัางสองอย่างถูกเกิดขึ้นมาก็จะคุปเก็บมันไว้นะทุกเกิดขึ้นมาก็จะคุบเพื่อจะเยียนเข้าไปในป่ามันจะคุปถึงนั้นแหล ะ, อะเอพราะมันในรู้เรื่องมัน ถ้าหากว่าเรารู้เรื่องมันเราไม่จะคุบมันไม่จะคุบเพราะว่านี่มันเป็นพิษด้วยแล้วว่ามันเป็คุบมันมันกัดเราอมันกัดเราทุกเกิดขึ้นมากรู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกเกิดขึ้นมากรู้ว่ามันก่อมันเป็นของมันดีอย่างนั้นไม่จะคุบได้ปล่อยมันไม่ย่างงั้นทุกเกิดแล้วมันก็ดับไปทุกเกิดมต้อ็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไร ถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุกเกิดจะมาดกไปตะคุบ ม, มันจ้ะว่าอ น, นี่สุขของฉันเมื่อทุกเกิดขมาก็ไปตะคุบ ม, มันจสียร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุกมันก็กัดเอาทุกมันก็กัดเอาทั้งนั้นเลยแต่ธรรมราจิตใจของคนเราแล้วยังเอาสุกทุกข่าไม่เอาชอบใจข่าทิงเอาไม่ชอบใจข่าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุเพื่อเกิน ถ้ากิดยังจินอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนถือไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเหอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปไปแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์จะหาที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไปเหอะนี่เดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆน่ะชอบอยากจะไปทุดงกันมันคิดอยากจะไป ไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้ไ น, นไปนั่นไปนี่มันไปที่เรื่อยมันไล่ให้ไปมันให้ไปอยู่ไอความเป็นจริงนั่นเรื่องว่าทุโลงควัตทุโลงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึง่งซึ่งบุคคลทำในายากเป็นข้อวัตรของพระอริยะบุคคลโดยตรง คำที่ว่าทุกดงนั่นน่ะไม่ใช่ว่าการตะพายบาดแบบปว ด, ดเดินเหินไปไมาอยู่อันนั้นพวกทะลุดงดงนี้ก็ไม่อยู่ดงนั่นก็ไม่อยู่ไปด้วยเด็กก็ทุกไปทุกดงไอ้ความเป็นจริงที่ว่าทุกองนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติทุกองเทไรทมีสิสามดอะไรกันบ้าง การอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วการฉันกินทบานนี้ในบาทนี้เที่ยวกินธบารนี้ก็เป็นทุรงอยู่แล้วถือภาพบรรจุภูลกของทุรงอยู่นะ้เยี่ยมป่าช้าก็เป็นทุรงอยู่เนีหลายหลายอย่างทุรงคือการปฏิบัติที่ไหนเราอยู่พอสังกวนแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารเป็นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้แต่เปลี่ยนท่าน ท่านแก้ความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริหารอาหารไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่นั่นกรสตุงควรก็เพราะว่าเรื่องเรื่องครบเรื่องชันนั่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเว็กของผู้ประกอปฏิบัติไม่วุ่นวายแล้วปีทั้งหล้ยเหล่านั้นมากให้เป็นยาปรามัดไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริหาร ไม่ไปเพราะปัดใจดีไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์อืไอความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะเออ ม, มันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันมันเหมาะสมของมันถึงนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยทูวดวงนี่เป็เครื่องขัดเกา่าให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบงออกให้มันน้อยแบงไปแบงไปจนมันน้อย เหลือแต่น้อยจนมันกว่าจะมันจะหมดไปหมดไปที่เรื่องุูดวงนี่คือข้อปฏิบัติเรอยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วี่ชุดวงพอแล้วอย่างนี้อเพราะฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูเลยยากงานรู้เพราะว่าอพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่า การปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรมีใรการปฏิบัติอะไรอย่างเดียวก่อนมีวัดต้องประพงพาขวาดวัดพาพาพาขวาดวัดบางทีอุปกรณ์กุติส ร, รามันเรือมันร่างไปไปช่วยกันทา น, นั้นนี้ปฏิบามันมันมันเป็นทางบุญแต่ความจริง น, นั้นนะไม่ต้องไปแสหนนุด เดินเข้าป่านี่แล้วก็ปฏิบัติตรงนั้นนะแล้วเคยมองดูหนามไหมมองดูอัศรพิษไหมเคยมองดูเขาต่อไหมเคยมองดูหนามอะไรต่างๆไหม น, นั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็จ้องปฏิบัติไม่ใช่เจริญโผงผงไปทีเดียวดิเรื่องปฏิบัตินี่อยากเข้าใจอย่างนั้นมันไกลเรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวรา และการเวลานั้นเป็นการนั้เป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะกาดีโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้รเกิดขึ้นมาการนี้เราทกันและช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังพูดฉลาดนะคนจังเป็นอากาดีโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นหินนั่นมันกระตรงองดีที่อากาดีโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหน ไม่ว่าตอนเป็นจุกไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำจิตวัดอะไรต่างๆมันเกิดเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะในทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนหนั่งไหนเรื่องที่เราไม่ปฏิบัติดันมันไม่มีหรอกมันมีเรื่องปฏิบัติเพราะนั้นผงเข้าไปกราบพระอาจารย์มั่น ท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องอ่ะอ ม, มันต้องในฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วนี่ยจะไปทุ่งจะไปในป่า ท, ที่ไหนจะตามเถิดพระพุทธเจ้าจะตามเทศในฟังบ่อยทีเดียวด้ฟังเทศพระพุทธเจ้าทุกขณะ ผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกปรฟังไว้แปลกเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้สิ่งที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนันน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนเราแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันมเรียบตัวยอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่ง ที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี้มันเคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนมันเคยไปมันเป็นยังไงก็มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นก็ฟังฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้ไม่รู้รู้หรือจะไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีก มีอีกคนหนึงมาวัดเผื่อนก็เดินองอไปนู่จะพบกันที่มาจากไหนมาจากวัดเผื่นทีมทอนวัดที่มันเป็นยังไงแล้วเขก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นอย่างงั้นย่างงั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังอืมคือนึกว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีก่ะไม่รู้อีกแล้วมีองค์คุณสารนี่เดินสวนต้องไปอีกถามมันได้อืม มาจากไหนมาจากวัดเกื่อนจินรินพรนี่วัดที่ทวารมันกว้างขวางมันเป็นไงอะไรหมเ้าก็เล่าเล่าให้ฟังอีกไม่ว่าตั้งแต่สามคนเลยเล่าไปถึงสิบคนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นปีการว่าพวกท่านทั้งหลายเขามาดูเองอย่างเนี้ยปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียบไปฟังอย่างนี้ทําไมปัญหามันถึงหมด เพราะว่าตัวเราเข้ามาสํารวจดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดมีพอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริงไอ้ความจริงนี้แหละเป็นต้นมันจึงค่าไร่ไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะ ธรรมะอย่างอื่นด้วยความเข้าใจในข้อประพฤติ ry, ปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นอความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้น 85. มันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติมันจะรู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นมันจะไม่หายสงสัยข้อไปถามคนอื่น เ, เราข้อไป ร, รู้จากคนอื่นเขา คนที่เชื่ อ, อาจากคนอื่นนั่นเนี่ยก็ดีอยู่เต่ว่าพระพุทธเจ้าไนความใเชเสริญฉันกระเสริญที่เชื่ อ, อด้วยตนเองเห็ น, นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราบไปรู้เห็นตามเป็นจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็าตามเอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดัวนั่งยิ่มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉันนั้นอืม ฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงโกงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทําตามจิตของเจ้าของอ้าวทาไมท่าเป็นอย่างไงล่ะจิตของเรานี้เราฝึกเราดีอย่างเป็นจิตที่ฝึกต้องดีแต่ดีอย่างเป็นจิตที่ควรใช้ได้แตหรือย่างหนึ่ ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงต้องกงกันข้ามกับจิปอย่าไปทําตามจิบของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันต้องกงกันข้ามอืบางทีมันก็เสียดต้องข้ามหัวมันไปอย่าไปฟังมันอืบางทีมันขัดข้องพอที่ทำใดแล้วไม่ต้องขัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติกงกันข้ามกับติปนั่นแหละ อือว่าสิ่งนี้สิ่งนี้มันอยาเ่เลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันแหละมันขัดใจก็คือมันขัดเจตนะแหละเคยไปวางไปฟังวาทะของอะไรภาษาดิภาษาดิบุตรยังไงท่านตบท่านก็ไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้ว ท่านจะ่เขาไปบินธบาต ท, ท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเขาไปบินธบาตินอะออไปถึงบ้านคนบางคนก็เชยนะไม่เอาใจใส่เถิบางคนก็ามาชะชะนิมนตเจ้าข่านิมนต์เจ้าข่านิมนต์นั่นน่ะเรื่อยละไม่มาหาหรอกนิมนต์ไปต่อสามสิบนาทีก็นิมนต์ให้ยืยนอยู่ ใจของเต้กันนะนีนะ่พอใจมันทำอะไรกันอยู่เนอะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านเคิเระะียนตลอจงให้เราช้าๆอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แต่ น, น้อยๆอย่าให้ของมากให้แต่ของหยาบๆอย่าให้ของปณี ให้เจของร้อนๆอย่าให้ของเย็นแต่ความเป็นจริงนั้นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านเน่ะเมื่อไปไกลสบายก็ท่านอยากให้ญาติโยมเตรียมของมาใส่ปุ๊บเรียบไปซะนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงไปไกลสบายแล้วก็อยากให้เขาให้มากๆเสียด้วยอืมเอาบ้านเดียวกลับมาเลยมันต้องไปไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่นิดน้อยแล้วท่านคิดในใจของท่าน่ท่านสอนจิตของท่าน ถ้าอยากได้ก็อยากอยากได้แต่ของดีๆทางนั้นเนี่ยแต่ว่ายาวเอของดีให้เราเลยให้แต่ของหยาบๆนั้นแต่ความเปจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่ท่านสอนจิตของท่านไว้มีลักษณะท่านดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิวัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านขะนั่นท่านจึงสอนจิตของท่านจ่นยกจิตของท่านพ้นอะไรทั้งหลายได้อย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเลส อันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านจะรู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักสิตทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นเต็มอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมในห ล, ลงความว่าการปฏิบัตินั้นยาปฏิบัติตามจิตของเราใช่ได้เลย ปฏิบัติโกงกันห้ามอืเนย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงเแล้วก็ไปเชื่อคนโกหกเรื่อยไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกทุกองค์ที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไม่รู้ตัวมาเกือบตายเหมือนกัน นะอืให้มันกองออกไปตรวดงทีไปนี่กับไปโน้นไปโน่นกัไปนี่ไปนี่ ก, กับไปโน้นไปวุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยไม่รูเรื่องไปมาแลก็าขาดทุนมาด้วยวไม่ได้มีกําไรกับแต่ไปไปตัวนี้กับชี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นกับชี้ไปตรงนี้เลยวุ่นวายเลยเป็นบ้าอยู่นั่นแหล ะ, มะผมกิจศึกมันก็จะหว่างังเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบารมีนลยมั้งนั่นน่ะ มันหมดมีสายหมดสัจจัแล้วเนี่ยผมเคยมีลูกศิษย์นี่นะในมากราบนากราบหลวงพ่อราสิีขาลาศีธมย์หมดความเพียรแล้วท่านมีประเด็นเนาะพระพุทธเจ้าแต่เด่นพระพุทธเจ้าเราท่านทําความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชม า, าท่านสาธงท่านสาธาณเอาตามความเพียรหมดนะผมก็แปลกเหมือนกันแล้วนะทไปทํายังไงอืม น่ดูสิมันบอกหมดความเพียรถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อฟังกันไปถ้าฟังดีๆแต่พวกมันมาพูดผิดนะนี่นะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะเลยครับมันขี้เกลียดนี่มันขี้เกียดเนี่ยมันได้บอาหมดความเพียรนะมันไล่มันหอกซะออกจากตัวไปแล้วมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความเป็นจริงความเพียรมันหมดเปร็จไหมใครเห็นว่าความเพียรหมดหิื เนี่ยมันก็หกเราถึงขนาดนี้เล ย, ลยเรายังเรายังเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรอยู่จรมันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็จะเชื่อมันมันก็หกเราเรื่อยๆไปอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันเช่ไถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ไอ้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรยอยู่ที่ไหนหมดเป็นที่ยังถ้าเรามาภาวนา ย้อนไปอีกทีหนึ่งในความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกอออันนี้ความเพียรมันหมดไปม่ได้เรามันสเสียดีบนี่เออทูกนี่แน่อย่างนั้นไม่ให้โทษคนอื่นเรืเ่อยไปนั่นแหละนี่เรียกว่าเราผือเราไม่รู้ตัวของเราไปไกลพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนาโยโกให้น้อมข้ามาฮะแม่เห็นแมวกว็น้อมเข้ามาเห็นสุนัข ก, ก็น้อมเข้ามา เปนทุกสิ่งสรารพัดในโลกนี้น้องเขมาเลยน้อมเข้ามาในใจของเราเหมือนเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้ไมเห็นสรารพัดอย่างมันด้วนจะเป็นธรรมะทั้งนั้นอเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะ่ะผมไิจว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีไม่มีธรรมะหนึ่งมีธรรมะหมด ในความเป็นจริงเราข้ามมันไปเถอะเราไม่ได้ปฏิบัติในความเป็นจริงนั่นบวชสามพันศาสี่พันศาห้าพันศาเราเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็มดคอนเพียนสิเราบอกไม่ได้ปฏิบัติห้าพันศานั่นนะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาชีพหนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะความเห็นผิดเนี่ยอือย่างเราทุกทวันวันนี้นะ่ะ พูดถึงวันนี้น่ะที่พระที่เนที่ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติต่างมุ่งมานจะวันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหมอย่างมากในเกินสามองค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอืน่นเรอยนะี่ยนี่เรื่องในตายเันั้นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูด้วย วันก็ทางวันนะ่ะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมฐานคือความตายยังมีใครไม่ถึงบ้างไหมวันนี้ดู้ึ้ิจะรู้สึเมื่อถามเรนนี่ไืมันเป็นอย่าง น, นี้จะให้กรรมฐานมั่นเองในยังไงอย่างเราปฏิบัติไม่จิดต่อกันนี่เรื่องจิตเนี่ยธุระของคนมันมี มันมีพ อ, อสมควรของมั น, นถ้าเราไม่รด้จากการประพฤติปฏิบัติอนะ่าให้รู้รอบหรเป็นโอปนัยโปน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวนันนะึงนะอย่างที่ผมถามวันนี้หละใครไม่คิถึงความตายบ้างไ้ยวันนี้มมผมเห็นว่าพูดที่ดถึงพูดจะนึกถึงความตายนั่นน้อย น้อยผู้กมันเยเลยนะั่นพิ่งรู้เดี๋ยวนี้วนะ่าผมทวงในนี้น่จะจ า, ามากนีางวอนจรเพะน่นจะให้กรรมาฐานจะเดินขึ้นได้อย่างไร ม, มันม่เจริญแล้วครับเดี๋ยเราปฏิบัติผมบวชมาเกือบห้าพรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัติ ม, มันแค่แค่นะครับปฏิบัตินี่นะ บางองค์เคยมาบวชในพรรษาหนึ่งผมไม่เคยเห็นการปฏิบัติครับเห็นที่เคยการนั่งรับตาเคเดินจูงกลเนะอไม่เห็นปฏิบัติครับนะมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนั่งรับจ่าจะนั่งก็ได้เลยนั่งทนไปเสือบจะตายไปอย่างนั้ บางทีนั่งก็ง่วงไปอรไปวุ่วายทาไปตามเพือนเื่อนเขาอย่างนั้นอ่ะเหมือนพวะว่าไม่ไปปฏิบัติมันไม่แค่จริงผู้ประพฤตปฏิบัติ น, น, น, น, มมตนีมันน้อยจะอยู่หลายภาษามันมีมากจะปฏิบัติจีิเนี่ยมันน้อย มันข้าวกับเราในนาเนี่ยไม่ข้าวในนาแล้วมันกินได้เลยไหมอืมัม่ด้เดินมันเลยข้าวมาไว้งินได้เลยมันมีข้าวเลยไหมมันต้องไปหวานข้าวมันต้องไปทํากล้ามันต้องไปทํานามันต้องไปปักไปดำไปเกี่ยวไปเกาะนะไปฟาดไปตูดสาระทุกอย่างยังเอาขึ้นไปหนึ่งยุ่งยังก็ไปสีอีก สีแล้วยังมามาขาีตเราหนุ่งขปีตเยอะนะนั้นก็ยังไม่เสร็จนะยังเอาสปปิดไปกล่องเข้าไปอีตเราวย่งเอามาเที่ยวอีกไม่จบเชี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จเดยกยังกลืนขปีตอ่อาพีตรงนั้นมันจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช่ได้นะมันมีกี่สั้งการปฏิบัตินี่ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแน่นๆนนมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร่อน มันจะเป็นอยู่งั้นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองของมันจระดับตาริมตาอะไรของมันก็เป็นของมันเองงั้นคือมันแก้แก้ปัญหาในทันท่วงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยนี่คือมันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโธคือความรู้รอบ นั่นเป็นคำนี้มาบริกรรมปุถุปุโธพุถุบางคนก็คเคยดูผูกอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเต่าเนี่ยในความจริเรื่องคำบริกรรมต่างๆนี่ครับมันมีแตลกอะไรมากมายครับทำสิ่งที่เราให้สงบเท่านั้น mm hmm. เดยวทำวีทีนั่นโดยทําวีทีนี้มันต้งมีการละทีครับคนปฏิบัตินี่มันต้องมีการละถ้าทําแล้วมันต้งมีการละดีครับมีการละ เรามองเห็นในมันมีตารละการปฏิบัตินี้มันต้องมีการละมันต้องเตือนไปมันจะต้องแปลกเราคุ้นกันเราจะนั่งอยู่ด้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขบฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้นมีข้อปฏิบัติอยูนเป็นอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้ ะะฉะนั้นก็ดางคนก่ า, านธรรมนัามีสอนธรถมะดีสอนมิปัสนานผมแยกมีดเลืเ้อนดือยกออกไม่ได้เรอกทั้งคมอยู่ทางไหนสันดีไห น, นมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้มั้ยผมแยกไม่ได้จับมีดเลืเ้อนหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลย จะแยกคมแยสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นไรพลดเรื่องกันอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้แบบนี้ทำสมถะแบบนี้ทำมีปัจจนาอันนี้คนไป่ไปรูเรื่องสรางความจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นไรพลดซึ่งกันเดียกันถึงก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมักคือการกระทำนี้ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบพลายเท่านี้ไอ้สอนดําบิมันก็ชอบนะการทำการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างหมดมรรคทั้งเศษแต่สันมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่บันไม่หมดมันม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันอเลยขนาดนี้ทุกอย่าง ดัมบี้ชอบขนาดนี้ซึ่งเงินตายงินตาหรือเยอไ ป, ไ ป, ไปถ้ามาเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดชอบกันเลยเมื่อต่างกันไปอย่างนี้เขชอบด้วยดัมบี้ก็ชอบน่าจ่าก็ชอบการงานก็ชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวแค่นั้นนี่นีน่มเวลาทํำสม า, าส์คือความสงบแล้วนี่เลยนะอืม ถ้ามันมีปัญญามันเดูนไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เรื่องอยู่แล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินีเแล้วงผลไม่นวดปัญญามาก่อนเลยมาความนุีนมาก่อนสมาธิถ้าปัญญาไม่มีรักษาศีลไม่ได้ทําสมาธิไม่ถูกนี่ถ้าเราพูดตามทางภาวนาของเราเนะน่ยมันต้องมาอย่างนี้แต่ทางพ เ, เ, เงนี้ยเขาจ่องศีนจ่องสมาธิจ่องปัญญา เออเอาไปทันหลังถ้าเรามาทำกันจริงๆแต่ผมว่าปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มารักษาสินไม่ได้ในดุเรื่องทำจิตสงบไม่ได้ในด้เรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนนีเมาพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติแล้วซึ่งมันเกิดมันเกิดขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้น น, นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไป mm. ผมจะเอาความดีให้พวกท่านทั้งหลายมีได้ให้ท่านดูเอาเฮอะให้ทาดูไปนานๆดูไปทำไปดูปดไปเจ็บไปเหไ่ค่อยเจ็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันมันไปได้ mm. เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติ ตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูลยยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจจะนึนสู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยเตือนเพียบไปฟังทุกทุกคนเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างคิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงจิดก็เลิกมันทีโทรก็ปฏิบัติปฏิบัติอยังไงก็น้ำเงินมันต่อไปมันจะไปยังไหนเลมันต้องปฏิบัติด้ด้วยไปอย่างการปฏิบัติ ที่เรกปฏิบัติบบนั่นค่าไม่เป็นฉะ น, นั้นมันก็ยิบัติมันเป็นยุบัตดเก็บทุกอย่างเก็บไ ป, กไปทุกอย่างเกียรตาไปทุกอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัตนินี้ที่อยู่กับผมนั้นเนอะที่ผมทําไปนี้หรือพูดจนจะพึ่งหาใจว่ามันถูกแต่พึ่งดาพึ่งหาใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จะผิดจะถูกอืม ถ้รารไรู้จะผิดจะถูกราก็สบายกันเลยสิจะภาวนาอีกางนะมันหมดแนละ้วมันไม่เสียแน่นี่นะคนอื่นทำผิดคนอื่นทำถูกอย่าอย่าเพิ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าเพิ่งเชื่อมันเ้อครับฟังมันไว้เพราะตัวเรายังไม่รู้จะถูกจะผิดจะไปดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้เทานั้นเิมคำเหมือนแต่หนึ่งว่ามันมนะ ทำเหมือนต่หนึ่งว่าโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าถ้ามันไม่ได้จักถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันก็ไม่ได้จักหญ้ามันก็เป็นภาพอย่างนี้ไปตลอดแหละ ที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาหมดความหมายแค่นั้นเองเนี่ย<ม>เรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็พ้่งเขใใ้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่าง<ม>ถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติ่าเลิกวันนี้เนี่ย เรื่องคนอื่นยกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาปะพลกับเรื่องของเรามป็นคนในเรื่องกันอีกเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเรามปนคนในเรื่องเรื่องคนอื่นกับของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงว่าเราเป็นทุกยุ่งกัเรื่องคนอื่นเขาจึงเราเป็นทุกอยู่ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่รูเรื่องอะไรมี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ เรื่องคนอืน่นแต่คนอื่นเขาทำเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไปขโมยกลัวอันนี้มันกแ็แปลงเืง่นกันจะว่าคนไม่รู้ฉลาดจะจดัเอาเองเถอะนี่อยู่ไม่ได้เพราะเรื่องคนอืน่นอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีแนั้น นักปฏิบัติเะาต้คิดอย่างนี้ถ้าเรู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะไม่รู้นะอืมศักท์ว่านั้นมันผิดหรือมันถูกตรงนั้นแนี่พูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงจริงมันรู้เปล่าก่อนไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราเพิ่งศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมอ เรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเราสมาใส่ใจกัให้มันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีเราเลยศึกษาเราจะรู้มันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจึงได้ศึกษามัน แต่เราไม่พึ่งเข้าฝั่งทางไหนทางนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เพรเรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ตามจริงๆใช่ไหจชิงที่ทไม่ควโกรธทำไมไม่โกรธขึ้นอะชิงที่ไมโลภทำามไมนโลกขึ้นหลยหลวงพุทธเจ้าสะดวกไห้ละทําไมไม่ละละ่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ไม่ควรเชื่อมันจึง ป, ปฏิบัติกรงกันข้ามไปเลย พเพราะว่าจะบดตรงกันข้ามเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใชนไหมอันนี้มันเป็นจิตคะ น, น, น, นะอันนี้มันเป็นอาการจิตคณะอันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วนควรละสิ่งนี้ควรบาเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆโดยบ่เมื่อเรารู้ข้างนึ่ข้างหนึ่งมันก็หายไปแล้ว ขนาดวัวไม่ขึ้ น, ผ, นผ่านไปผ่านไปผ่านไปดื้อๆฉะนั้นตามปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันก็เปลีนไปอีกในขณะที่มันสูงละเอยียดไปตอนนั้นมันจะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกจะได้เราเพิ่งเรียนมันเท่านั้นนะเราดูมันอืแล้วการรักษาศีล การปฏิบัติเิ่นี้มันไปจบยุทีิตรงไหนมันไปจบที่ทตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลกมันมไม่ส้นสายไม่สงนสายตายเด้กกลัวอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดไปทีเดียวในตรงดูทางส ก, กายจีโรกน็อกในดูทางแปดหมื่นขีพระธรรมขันน็อก รู้วมันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมด อ, มอ่ะอุ้มช่งที่มันผิดนี่เลยดีตัวอายกลั ว, ม, ลวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจําใจของเราอยู่เท่านีถ้าหากว่ามีอายมีตัวประจําใจเราอยู่เหละแต่ความระมัดระวัววงมันเกขึ้นมาความเผื่อเลยอย่าง น, นงี่นั่นก็เลยมีนี่ อันนี้มันบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เดียกว่าเราปฏิบัติอฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นเลยให้ขอนิสัยท่านเนีอยขอนิสัยคืออะไรให้ขอนิสัยจ่แยกพึ่งขอนิสัยง่ายๆ่าจะไปดูด้วยอย่างพิจารณาดีๆถ้าเรารู้เราขอนิสัยทูกนิสัยเขาขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ย น, ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อย คนมกัมกมเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยอืมคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบแล้วครับคุมเคยคุกคือโมคณะเรียนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันตกอเปียนเปลี่ยนเปี่ยนเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาใส่ในวันนี้ยในรายวันมาแล้วตอนนี้เพ้่งจะมาดีดี ผมยังไม่เคยรับพระในที่นี่ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้างก็อยู่ไกล ย, ยุทธบาทนะแค่แถวนี้อยู่ไกลฝ่าฝนก็ไม่ค่ดีผููคนก็มาสู้ดมแกตาตามแทะในกลัวใ น, นกันขอแต่เราปฏิบัติดีญาติโยมแท้เขาดีใจด้ยวยเกินที่ได้ถวายอาหารพระคู่ประพฤติปฏิบัตินี้ จะหมดมากงดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยก็ดีใจเขาเราจะนเมื่นาบุญของโลกอย่างนั้นฉะนั้นอยู่ในวัดนี้ปีนี้เลิกเกสบปัญญาแล้วผมจะทําไว้ปีนี้เลยมาพัฒนาใหม่ยืียิ่งยืนอย่างนิดหน่อยทั้งนาศทางเรนทางพระที่มาอยู่อืมผมอยากจะทํทาำเน้นกันในเกาะนี้เพื่อกันไฟ มันเป็นภัยมากหรือเกินครับในเกาะนี้ผมเห็นว่าจะเป็นชีวิมงคลเกศพวกผู้ประกอบปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายามอที่จะขอแรงพระเนรเราเป็นเวลาครับช่วยกันไปแต่ิทําได้อพวกเนินพวกหน้าผีขกดดินฟันไม้เนี่ยเขาทำไปจีตฆ่าเราทำอะไรไม่ได้เราก็เถียรดินเถียรหญ้าหญ้าในก้อนไม้อะไรไปเรื่อยไป ท, ท่คนนี้อื ม, อมเพื่อให้เป็นที่อยู่ของเรให้สะดวกแจ่ผููประพฤติปฏิบัติเพื่อผมทําอะไรต่างๆผมก็ทําไปเพื่อในพวกไม่แก่พระสงค์ทั้งหลายเหล่านี้อืมณะนนัท่านทั้ทงหลายมีสติอย่าถึงว่าทางานไม่ได้ปฏิบัติอย่าเพิ่งจ ะ, จะิดอย่างนั้ น, นะครับทํางานก็คือการปฏิบัติ ถ้าเร า, าคิดคิดว่าทําไม่ทํางานไม่ได้ปฏิบัตินั่นยังคิดผิดครับต้องไปคิดใหม่อีกครับให้มันรู้จักจก่าทางานมันคือปฏิบัติเรื่องปฏิบัตินี่มันติดอยู่ทุกขณะไม่มีที่ไม่แต่ปฏิบัตินั่งอยู่เฉยๆก็เลยปฏิบัติไปที่ไหนไปหยุดปฏิบัติ